พระวชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่ยี่สิบข้อสามสิบห้าความว่าพระเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทั้งทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำ เ, เช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยและลึกถึงพระวาทะาของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับขอพระเจ้าไว้พระพรทุกๆท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าครับในเช้าวันนี้ที่เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของปี2018นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกพี่น้องก็ได้คิดถึงพระเจ้าและ นะครับสายตาที่ผมมองจากธรรมานี้ไปก็พบว่าหนาตานะครับก็คือสมาชิกเราเนีได้มากันนะครับค่อนข้างมากทีเดียวในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับในปีนี้นะครับ2018นี้เป็นปีที่เราทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันในกิศจักรของพระเจ้าเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าโดยเรามีคำขวัญ น, นะครับหรือว่า เป็นทีมของริศจักรว่าร่วมใจรับใช้ภาษาอังกฤษื่อว่า together we serve นะครับซึ่งได้พิมพ์ไว้อยู่ในสุญิบัตหน้าแรกนะครับอยู่ตังมุมขวามือนะครับและเราจะมีคำขวัญประจำเดือนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแรกเราคิดถึงพระเจ้าก่อนเป็นเดือนแห่งความรักของพระเจ้าที่เราจะภาวนาเราจะไขครวนเราจะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าและความรักของพระองค์ เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่และเรายังมีข้อพระธรรมประจําเดือนนะครับในเดือนนี้อยู่ในพระธรรมเสฟัญยาบทที่สมข้อที่20ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับในคราวนั้นเราจะนําเจ้ากลับมาคือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกันเออเราจะกระทําให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญในท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายของโลกคือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิม ต่อหน้าต่อตาเจ้าพระเจ้าตรัส ด, ดังนี้แหละพี่น้องครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะกลับสู่สภาพเดิมสภาพเดิมนั้นไม่ใช่เป็นสภาพของปีที่แล้วนะครับแต่เป็นสภาพเดิมที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สำหรับกครจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นว่าคิจักรนั้นพระเจ้าตั้งไว้ก็คือเพื่อประกาศข่าวประเสริฐขยายแผ่นดินพระเจ้าในการที่จะเลี้ยงดูอภิบาล และในการสร้างสาวกของพระองค์มี3อย่างครับประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกพูดสั้นๆผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสพูดสักสองรอบดีไหมครับนะฮะแค่เป็นนักเทศคนอื่นก็บอกพูดตามผมพูดตามผมนะครับผมก็จะบอกเรียนพี่น้องว่าขอให้เราจะจําให้ได้นะครับประกาศเลี้ยงดูได้สร้างสาวกขอเชิญผู้พร้อก่อนครับสองรอบครับประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกนี่คือพันธกิจหรือมิชชั่นของกติกากที่พระเจ้ามอบกับเรา ในพระวจนะพระเจ้ามัทธิวบทที่28ข้อ 19-20 มี3อย่างนี้ครับประกาศเลี้ยงดูและก็สร้างสาวกในกิจการบทที่20ข้อ35ซึ่งได้อัญเชิญมาอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้เป็นหัวข้อของผมที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือสุขใจที่ได้รับพระวจนะพระเจ้านะครับพระเยซูตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับถ้าพี่น้องถอยกลับไปดูในพระคมภีร์ พระกิตติคุณทั้งสีเล่มนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีประโยคตรงๆแบบนี้นะครับบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแต่เป็นคําของพระเยซูที่โค้ดมาที่ปรากฏอยู่ในธรบบงงรมกิจการนะครับพระธรรมกิจการเนี่ยมีชัดเจนเนยการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแต่คําสอนของมัมพีที่อยู่ในกิตติคุณทั้งสีเล่มนั้นอาจจะไม่พบตรงๆแบบนี้แต่มีความหมายแบบนี้ที่พระเยซูสอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ในสถานการณ์บ้านเราทุกวันนี้นะครับหลายลายคนบอกว่าขอบคุณพระเจ้าหุ้นขึ้นมากเลยนะมันทะลุทะละุเพดานที่เคยเป็นอยู่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในบ้านเราที่ผ่านมานั้นดีมวลรวมหรือ GDP ของประเทศนั้นก็ดีขึ้นสูงขึ้นผิดคาดเลยทีเดียวผู้รู้ต่างมั่นใจว่าปี2018นี้จะดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่พี่น้องครับในขณะนั้นที่เราเป็นคริสเตียนนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือจะไม่ดี จะขึ้นหรือจะลงนะครับเราเองนั้นก็ยังมีปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาอนาคตของชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาว่าเราจะรู้น้ำพระทยัยพระเจ้าได้อย่างไรในการที่จะแสวงหาพรมทยัยพระเจ้าเดินอยู่ในทางของพระเจ้านั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องท้าทายในปี2018ที่จะมาถึง ในชีวิตของเราครับมีหลายอย่างที่ต้องการการแก้ไขคริสเตีย น, นยต้องผ่านประสบการณ์ร้ายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนครับแต่สิ่งที่เราดีกว่านั้นดีกว่าคนเหล่านี้ก็คือว่าเรามีพระเจ้าเรามีองค์พระเยซูคริสต์เรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราและพระองค์จะทรงแก้ไขปัญหาชีวิตของเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะมีความตั้งใจใหม่นะครับเราเรียกว่า new year resolution ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราต้องเปลี่ยน New Year Resolution นะครับก็เป็น New Me New Me Resolution ก็คือว่าคนใหม่ที่อยู่ข้างในเราเนี่ยนะครับที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะมี Resolution คือความตั้งใจใหม่ๆในปี2018นี้พระวจนะของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่5เข้า18บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปแล้วนี่นกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นในพระคัมภีร์นะครับ ได้พูดถึงคนที่กําลังจะรับความรอดเขามีความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เขาได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาเนี่ยพระเจ้าจะสร้างใหม่และคําว่าสร้างใหม่นั้นตามไวยากรณ์ภาษาเดิมภาษากรีกนั้นบอกว่าเป็นการสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆเป็นการสร้างใหม่ตลอดเวลาเป็นการสร้างใหม่ที่ไม่มีวันหยุดมันเป็นการกระทําที่ต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนั้นพระเจ้ากําหนดให้มีวาระต่างๆของชีวิต เพื่อที่เราจะต้องถูกสร้างใหม่สร้างขึ้นให้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นคนใหม่ตลอดไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราต้องมีคอนเซปต์หรือเรามีาหลักการหลักคิดก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันไม่มีใครนะครับที่จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าว่าเขาเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับให้เราระลึกถึงพระวาตรของพระเยซูซึ่งปรากฏว่าเราจะต้องให้ เะน้หัวข้อในเช้าวันนี้บอกว่าสุขใจที่ได้ให้นะครับประการแรกครับเราต้องให้อะไรป้งบีบอกว่าเราต้องให้ใจของเราให้ชีวิตของเรากับพระเจ้าเราจะไม่อยู่ในทางที่โกหกพระเจ้าได้ไม่มีทางที่เราจะโกหกพระเจ้าได้เราจะโกหกมนุษย์ได้ว่าเราได้ให้อะไรบางสีงบางอย่างออกไปแล้ว เราอาจจะให้เพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีเป็นการสร้างภาพแต่เราไม่สามารถโอหกพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ดูที่ภายนอกที่เรากระทาออกมาอย่างเดียวแต่พระเจ้าดูแรงจูงใจท่าทีภายในใจที่อยู่ในชีวิตของเราและด้วยเหตุ น, นี้นะครับการให้ใจกับพระเจ้าจริงๆสําคัญการที่เราจะถวายชีวิตให้กับพระองค์และเราจะเป็นสุขที่เราได้ให้ชีวิตนี้กับพระองค์มีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งครับเพราว่า มีสิทธิบาลท่านหนึ่งขณะที่ท่านเป็นศิิบาลอยู่ในคริสจักรเชิร์ชออฟเดอะเซในกรุงว a ช h i n g t o n ซ c สิทธิบารคนนี้ชื่อว่าก o r d o อ Cosby ีได้เล่าเรื่องของหญิงไม้คนหนึ่งที่อยู่ในคริสจักรของท่านหญิงไม้คนนี้เป็นหญิงไม้ที่ยากจนและไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อเสื้อผ้าในช่วงหน้าหนาวเธอต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าใน Sal เ a ชชันอาร์ก็คือ ในที่ที่ขายเสื้อผ้ามือสองราคาถูกๆและค่าอาหารเธอก็กระเบียดกระเสียนจริงๆเธอต้องเลี้ยงลูกทั้ง6คนของเธอแต่ในทุกๆอาทิตย์เธอจะวางเงิน4ดอลลาร์ไว้ที่ถาดใส่เงินถวายโบสถ์เรานี่เราถือถุงใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ว่าเราถวายเท่าไหร่แต่เบิร์ตโบสถ์เ h ิร์ชออฟเดอะที่วอชิงตันดีซีเนี่ยเขาถวายใส่ถาดครับนะฮะแล้วก็สมาชิกเนี่ยต้องออกมาถวาย บางโบสเาก็มีถาดรับถวา ย, ยอยู่ที่หลังโบสเวลาสมาชิกมานะครับก็จะวางซองหรือวางเงินไว้นะครับแต่ว่าหญิงไม้คนนี้วาง4ดอลลาร์ทุกๆสัปดาห์4ดอลลาร์4ดอลลาร์4ดอลลาร์การกระทำของเธอก็อยู่ในสายตาของผู้นำาึ้นเดจจักรก็คือมัคคณายกมัคคณยกท่านหนึ่งครับก็แนะนำให้สิิบานกอร์ดอนคอสบี้คนนี้ ช่วยไปคุยกับผู้หญิงม่ายคนนี้คุณป้าคนนี้นะครับบอกว่าให้คุณป้าเก็บเงินสีดอลลาร์ไว้ไม่ต้องถวายนะเพราะว่าคิษสจักรเนี่ยก็มีเงินอยู่แล้วก็ขอให้เก็บเงินนี้ไว้ใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวงเธอดีกว่าปรากฏว่าสิทธิพิบาลก็ทำตามที่มการนิยกแนะนำนะครับซึ่งการกระทำของสิบิบานผู้นี้ ทำให้เขาเสีย อ, อกเสียใจในภายหลังเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่ศรีบาลท่านนี้ไปคุยกับหญิงไม้ท่านนี้นะครับหญิงไม้เมื่อได้ยินว่าศรีบาลพูดอะไรมีความหมายอย่างไรแม้ว่าจะเป็นความปราทนาดีของผู้นำาเ้นจักก็ตามแต่หญิงไม้คนนี้ได้บอกกับศรีบาลว่าอาจารย์ท่านกำลังทำลายสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ฉันรู้สึก มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคริสเตียนผมพูดอีกครั้งนะครับอาจารย์กําลังทําลายสิ่งสุดท้ายที่ทําให้ฉันรู้สึกมีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคริสเตียนความเป็นมนุษย์ของดิฉันหญิงให้คนนี้เรียนรู้กุญแจสําคัญของการให้คือผู้ให้นั้นจะให้ใจของเธอ กับพระเยซูผู้ให้จะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้รับยิงอยู่ครับคนจนต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินแต่ความจําเป็นของการให้อาจจะสําคัญกว่าความจําเป็นของการรับการให้เป็นหนทางที่จะเปิดสู่พระสัญญาของพระเจ้าและความอุดมสมบูรณ์ของพระพรของพระเจ้าและการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับการให้เป็นหนทางที่เราแสดงความเชื่อมั่น ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราได้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าดูแลนกน้อยใหญ่นกกระจอกและดอกไม้ในทุ่งน า, พ ร, าะะนนพระเจ้านภิษาปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบที่หชัดเจนนะครับโปรง่งทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่และโปร่งจะทรงเลี้ยงดูพวกเราด้วยในพระคัมภีร์มีบันทึกหญิงไม้ที่มีความเชื่อความศรัทธาที่ท่านถวายเหรียญทองแดงนะซึ่งมีค่าน้อยที่สุดในระบบการเงินของอยิวในสมัยนั้น แท้จริงแล้วไม่ควรเลยใช่ไหมครับที่หญิงหม้คนนี้จะถวายเงินทองแดงเหรียญทองแดงไม่กี่เหรียญสุดท้ายที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเธอถวายสองอแปะอย่างนี้ครับนะครับถ้าหากว่าเราดูตามลักษณะของวิหารสถาบันของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเรารู้ว่าสถาบันในกรุงเยรูซาเล็มก็คือพระวิหารนี่นะครับมีแต่การโกงกิน มีแต่เป็นเรื่องราวที่พวกอาลักษ์พวกปุโรหิตยังชีพด้วยเงินถวายพระเงิมผีพระเยซูสอนในพระธรรมมาระโกบทที่ 10, 12บสข้อทำให้เราเห็นถึงสภาพของการบริหารงานของวิหารที่กุงเยอรมนีภายใต้มหาปุโรหิตในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีพระเยซูบอกว่าพวกท่านมักริบเอาเรือนของหญิงไม้นันหมายความว่างครับ หมายความว่าเขาสร้างกฎเกณฑ์เพื่อจะให้คนถวายถวายถวายถวายถวายเพื่อให้ศาสนจักรถวายเพื่อให้วิหารของตัวเองนั้นดีไม่สนใจว่าเขาจะได้มาด้วยเงินแบบไหนวิธีการอย่างไรเขาเรียกว่าสถาบันที่มีแต่การโกงกินแต่ว่าในสายตาของหญิงม่ายนั้นท่านสัตว์ซือท่านถวายให้พระเจ้าและท่านถวายโดยที่ท่านไม่สนใจ ว่าคนจะโกงเขาจะกินกันยังไงนะครับพวกที่ยังชีพด้วยเงินถวายเนี่ยริบเอาเรือนของตัวเองเป็นยังไงแม้ว่าจะริบเอาเรือนของเธอไปก็ตามแต่เธอก็ยังเต็มใจที่จะถวายพระเยซูมองการกระทําของหญิงม่ายผู้นี้ว่าเป็นท่าทีที่ถูกต้องในเรื่องของเงินทองและทรัพย์สินที่พระเจ้าให้กับเขาในมัทธิวบทที่25ข้อที่สี่ได้บอกว่า แล้วพระมหากษัตริย์จะตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่คนหนึ่งคนใดในพวกพี่น้องของเรานี้แม้จะต่ําต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วยพอเจรณาพระเจ้าในตอน น, นะครับในพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่3ามข้อสิบบอกว่าแต่ผู้ใดที่มีทรัพสมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจือดใจดําไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ พี่น้องครับการเมินหน้าจากคนที่ยากจนเป็นเหมือนการตัดช่องทางพระพรที่มาถึงตัวเองผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังครับมีการสํารวจพวกมิลเลนแน่มิลเลนแน่ก็คือพวกเศรษฐีพันล้านนะครับในประเทศสหรัฐบอกว่าเขาใช้จ่ายเงินของเขาหนึ่งร้อยเปเซนเี่ยนะครับเขาใช้จ่ายเงินไปในการบริจาคหรือการถวายเข้าโบสถ์นั้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ตามที่ได้มีการสํารวจนะครับมีการสํารวจ ในจำนวนปริมาณที่มากพอสมควรปรากฏว่าตัวเลขของพวกเศรษฐีพันล้านในการที่เขาจะได้ถวายเงินให้กับองค์กรการกุศลถวายเงินให้กับคิดจักรปรากฏว่าอยู่แค่หนึ่งจุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพูดง่ายก็คือ 1% อร์กว่ากว่าครับยังน้อยกว่าคิดเสียเราถวาย10บลดด้วยซ้ำนั่นคือตัวจริงเสียงจริง ตัวเลขจริงที่ได้เกิดจากการสำรวจของพวกเศรษฐีทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อเราเทียบสัสดส่วนของการให้ใจกับพระเจ้านะครับเราเห็นว่าคนที่ยากลาบากคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ยากจนคนที่มีปัญหาคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นได้รับพระคุณของพระเจ้ามากมายเนี่ยเขานั้นจะให้ใจกับพระเจ้ามากมากกว่า คริสเตียนปกติคริสเตียนที่คิดว่าเราดีแล้วผมอยากจะยกตัวอย่างในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่สิบเจก็คือเรื่องราวของผู้หญิงชาวซาเรฟัตเป็นหญิงไม้เหมือนกันครับในสมัยของกษัตริย์อาหับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับถ้าพี่น้องฟังเสียงสิทธิยาพีบาเนี่ยท่านก็จะรู้นะครับว่ากษัตริย์องค์ไหนดีองค์ไหนไม่ดีแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่คืออะไรในยุค ข, ของกษัตริย์อาหับนั้น เกิดการกันดานอาหารฝนไม่ตกสมปีสมปีก็คือฝนแรงนะครับในบ้านเราเนี่ถ้าฝนไม่ตกสักสักเดือนสองเดือนนี่ก็เริ่มแรงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในสมัยของกษัตริย์อาหับนั้นอิสราเอลนั้นตกอยู่ภายใต้การกันดานอาหารมากทีเดียวไม่ตกถึงสปีผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่มีจะกินเหมือนกันนะครับพระเจ้าก็สั่งให้เอลียาไปอยู่กับผู้หญิงไม้คนหนึ่ง ผู้หญิงไม้คนนี้เนี่ยยังมีเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือมือสุดท้ายครับพระเจ้าสั่งให้เอลียาไปอยู่กับหญิงไม้หญิงไม้นั้นกําลังเก็บฟืนอยู่เอลียาพบกับหญิงไม้ชาวซารรฟัดคนนี้ขณะที่เธอเก็บฟืนอยู่เธอเก็บฟืนเพื่อที่จะก่อไฟทําขนมปังปิ้งมื้อสุดท้ายที่จะกินกับลุดชายแล้วก็จะเตรียมตัวตายแล้วเพราะว่าไม่มีอะไระกินเอลียานั้นก็ขอขอให้ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดู าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ให้ใจกับคนของพระเจ้าให้ใจกับพระเจ้าเธอตอบสนองเธอก็บอกว่าเนี่ยมื่อสุดท้ายแล้วแต่ยังไงก็ตามจะเลี้ยงดูคนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเธอก็ทำขนมปังแล้วก็แบ่งให้คนของพระเจ้ากินพระเจ้าอวยพรครับอวยพรได้รับความสุขได้รับพรจากพระเจ้า ผู้เผยเพระชนะเอลิยาได้บอกว่าน้ำมันในไหของเจ้าจะไม่ขาดและแป้งของเจ้าก็จะไม่ขาดด้วยแล้วในสุดพระเจ้าก็สำแดงกอัศจรรย์เลี้ยงดูผู้หญิงไมยคนนี้ลูกของเธอและผู้รับใช้ของพระเจ้าตลอดจนกระทั่งฝนตกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ของคนที่ให้ใจกับพระเจ้านะครับผู้ให้จะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้รับ พี่น้องครับเงินทองนั้นคือพระพรแต่ก็ไม่ใช่เป็นคําตอบของชีวิตหลายๆท่านนะครับบอกว่าปีนี้นะครับเราจะมีโครงการอะไรที่จะทําให้เงินของเราในแบงก์ของเรานะในธุรกิจของเรางอกเงยนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะต้องรู้จักที่จะหาเงินรู้จักที่จะใช้เงินรู้จักที่จะให้เพื่อที่พระพรจะย้อนกลับมาเป็นวงจรแห่งพระพรที่เข้ามาถึงชีวิตของเรา มีพันธกิจเยอะแยะมากมายครับที่ต้องการการสนับสนุนจากคนของพระเจ้าและคนที่ทำงานของพระเจ้าเขาจะมีประสบการณ์การเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเงินทองจึงไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่แต่เงินทองนั้นเป็นปัญหาใหญ่เป็นอุปสรรคของคนที่รักเงินทองปัญญาจารย์บทที่5้าข้อที่บและข้อบอกว่าคนรักเงินก็ไม่ย่อมก็ย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรนี่ก็อ น, นิจจังด้วยเมื่อของดีเพิ่มพูนขึ้นคนกินก็มีคับข้างขึ้นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้นข้อต่อไปนะครับบอกว่าการหลับของกรรมกรก็ผาสุกไม่ว่าเขาจะกินได้น้อยหรือได้กินมากแต่ความอิ่มท้องของคนบังมีก็ไม่ช่วยให้เขาหลับนะครับ การอิ่มท้องของคนบ้างมีแทนที่จะหลับนะครับผมก็พูดเล่นๆว่า ก, ก็อื่นอื่นแทนท้องอื่นนะครับหลายครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นโรคกดไหลย้อนเพราะอะไรครับเพราะกินดีอยู่ดีมากเกินไปเงินทองไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกอิ่มกำไรเงินทองไม่ได้ทำให้ใครหลับสบายเพราะไม่สามารถซื้อกันนอนหลับได้เงินทองถ้าไม่บริหารจัดการดีๆ พ, พระคัมภีร์บอกว่าสูญเสียได้ง่ายๆผมจึงอยากจะสนับสนุนและแนะนาครับวิธีการลงทุน นนแผ่ดิของพระเจ้าพระอัมพี่บอกว่าอะไรครับบอกว่าให้เราสั่มสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์ที่ซึ่งไม่มีขโมยจะขุดช่องลักเอาไปได้ไม่มีหนอนหรือมแมลงที่จะกัดกินมันได้หลายครั้งทีเดียวทุกวันนี้หลายหลายคนนะครับสั่มสมทรัพสมบัติไว้ในโลกนี้แต่ด้วยสายตาที่สั้นก็คือว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะได้ใช้มันเมื่อไหร่ เงินทองพระัมภีร์บอกว่าอาจจะตกไปเป็นของคนอื่นได้แต่เขาได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์น้อยไปหน่อยพอเวลาไปอยู่บนสวรรค์อาจจะเป็นความเสียดายเสียใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาเงินที่ไม่เที่ยงในโลกนี้เนี่ยไปซื้อทรัพย์สมบัติที่เที่ยงแท้กว่าและนิรันดรกว่าบนสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะจัดการกับการให้ของเราได้อย่างไรพี่น้องครับ พระคัมภีร์สอนครับว่าเมื่อเราไม่สัมสมทรัพ ส, สมบัติไว้ในสวรรค์เราจะมีอิสรภาพขอโทษครับเมื่อเราไม่สัมสมทรัพสมบัติในโลกนี้เราจะมีอิสรภาพที่จะสัมสมทรัพ ส, สมบัติไว้ในสวรรค์เพราะว่าทรัพสมบัติในสวรรค์นั้นมันเป็นทรัพสมบัติที่เราจะใช้ได้ไปตลอดชั่วนินรันดร์ในโลกนี้เราอาจจะมีอายุ90้าสบหนึ่ง้อเราสัสมสมทรัพสมบัติไว้ส่วนหนึ่งครับ แต่ต้องลงทุนบนสวรรค์ด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าลงทุนบนสวรรค์นั้นไม่มีขาดทุนและทรัพย์สมบัติที่เราสะสมไว้สวรรค์นั้นสามารถจะใช้ได้ตลอดไปเป็นนิดเลยคือมีคุณค่าตลอดบนบนสวรรค์คงจะไม่ต้องไปซื้อขายของนะครับไม่มีการเล่นหุ้นแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่เราสะสมไว้นั้นนั่นคือคุณงามความดีนั่นคือการให้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะได้รับบําเหน็จและ บ, บําเหน็จจากพระเจ้านั้นจะเป็นบําเหน็จที่ไม่มีวันที่จะสูญสิ้นติดตัวเราไปตลอดชีวิต ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพระเจ้าไม่ได้มองว่าหญิงไม้เขาให้เท่าไหร่แต่พระเจ้ามองว่าคุณเหลือเท่าไหร่หญิงไม้นั้นพระพีพ่บอกว่าไม่มีเหลือเลยทั้งเงินที่เขาจะถวายนะครับเป็นเงินที่เขาจะต้องเลี้ยงดูชีวิตของตัวเองเลี้ยงชีพของตัวเองเป็นเงินยังชีพแต่เธอก็ยังถวาย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค้าทายครับและหลายหลายคนผมเชื่อว่าเมื่อฟังแบบนี้แล้วถ้าเรามีความจิตใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าใจของเราเนี่ยเริ่มไม่สงบแล้วครับแล้จะจัดการอย่างไรกับเงินทองของเราที่พระเจ้าให้กับเราและผมอยากจะบอกนะครับว่าเงินทองของท่านทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนฟังฮีบอกว่าอะไรครับใจของท่านจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าพี่น้องถวายเงินเข้ า, ขาครินสัจจ์ถวายเงินเข้าสู่พันธกิจของพระเจ้าถวายเงินเข้าสู่องค์กรคริสเตียน งานสังคมสงเคราะห์อของคริสเตียนการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าการทำาร้สิ่งหลายอย่างกับคนพิการต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเงินที่เราถวายเข้าไปหัวใจของเราจะอยู่กับพันธกิจเหล่านั้นเราจะทิศฐานเผื่อพันธกิจเหล่านั้นอัตโนมัติเลยครับเพราะว่าเงินของเราก้อนใหญ่นะครับส0บเปอร์ซนี่ยอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราถวายแบบเอร์มั่ง0จเปอร์ซมั่งตมัมันมันไม่อยู่มันอยู่แปรตาม เงินที hmm. ่เราถวายหัวใจนะครับใจเราเนี่ยนะครับแปรตามเงินที่เราถวายพี่น้องไหมครับนี่คือหลักการของพระเจ้าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อทรัพย์สมบัติของเราอยู่ในพันธกิจของพระเจ้าใจของเราก็จะอยู่ในพันธกิจของพระเจ้านั่นคือหลักการของพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นให้ใจให้ใจของพระเจ้าเถอะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้ชีวิตถวาย ชีวิตของเราให้กับพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ทุกๆคนที่ได้ถวายด้วยท่าทีที่เต็มใจนะครับไม่ว่าจะเป็นถวายทรัพย์ถวายเวลาถวายความรู้ความสามารถถวายกําลังของเราถวายแบบสุดจิตสุดใจเนี่ยถามได้เลยครับทุกคนที่ถวายแบบนี้นะครับเขาถวายตัวถวายทรัพย์ถวายกําลังถวายชีวิตคนเหล่านี้ครับมีความสุขเพราะว่าเขาได้รับกับคืนมาครบถ้วนบริบูรณ์ถวายเป็นตัวเลข แล้วตัวเลขกลับคืนมาถวายด้วยหัวใจที่มากับพระเจ้าอยู่กับการรับใช้พระเจ้าคุณจะได้พระพรความสุขความสันติสุขเบรซิ่งกลับคืนมานั่นคือประการแรกครับขอให้เราเป็นสุขที่ได้ให้ใจของเรากับพระเจ้าประการที่สองครับเราจะต้องให้สันติสุขหรือพีซเป็นของขวัญชีวิตของเรานะครับเราได้รับความสุขจากพระเยซูแล้ว สันติสุขของพระเยซูเพิ่มพีบอกว่าสันติสุขของเราที่ให้กับท่านทั้งหลายนั้นไม่เหมือนกับที่โลกให้เราควรจะส่งทอดสันติสุขนี้ออกไปนั่นคือการประกาศพระวจนะของพระเจ้าเพราะสันติสุขนี้เป็นสันติสุขที่เรียกว่าจอยไม่ใช่แฮปปี้เนสคำว่าจอยนั้นมีความหมายว่าเราสามารถที่จะมีความสงบเราสามารถที่จะมีสุขได้ในขณะที่ร่างกายภายนอกเราอาจจะเจ็บป่วยเราจะมีสันติสุขของพระเจ้าได้โดยที่สภาวะแวดล้อมไม่เป็นใจ เราจะมีสันที่สุขกับพระเจ้าได้เมื่อเราอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลาบากการทดลองต่างๆนั่นคือสันที่สุขที่อยู่ในใจเรียกว่าจอยไม่ใช่แฮปปี้เนสพระเงินพียอรบทที่ส4บสข้อยีสนะครับสันที่สุขที่ให้ไว้กับท่านทั้งหลายแล้วพระเยซูตรัสบอกว่าไม่เหมือนกับที่โลกให้โลกนั้นได้ให้อะไรสันที่สุขแบบไหนครับที่โลกสร้างและดีไซน์ไว้มันจะแตกต่างกับสันที่สุขที่พระเจ้าออกแบบไว้ในชีวิตของเราและจะให้เรา อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่า ก, กลัวเลยพี่น้องครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็คือความวิตกกังวลควาวิตกกังวลที่โลกสร้างให้กับเรานะครับโดยผูกชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับเงินทองผูกชีวิตของเราอยู่กับชื่อเสียงผูกชีวิตของเราอยู่กับเกียรติยศคําสรรเสริญเยินยอนั่นแหละครับคือโลกได้ออกแบบไว้โลกก็คือมารซาตานครับมารซาตานออกแบบไว้เพื่อที่จะให้คนของพระเจ้านั้นได้ไข้เคว เพื่อหลอกลวงและสร้างความวิตกกังวลและความกลัวนะครับกลัวว่าเราจะไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเมื่อเรากรเกษียณอายุแล้วหรือกลัวว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะแต่งงานเราจะมีครอบครัวนะครับเราจะเป็นอย่างไรหรือกลัวว่าเวลาที่เรามีลูกเนี่ยนะเราจะมีลูกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นความกลัวนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นคือแบบแผนของมารซาตานที่ดีไซน์ไว้สําหรับมนุษย์นั่นคือสันนิสุขจอมปลอมแต่สันนิสุขของพระเยซู ในยอมบทที่14ข้อ27นั้นนบอกว่าชัดเจนครับมันสวนทางไม่เหมือนกับที่โลกให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกและไม่ต้องกลัวครับเราพบในพัมพีข้อนี้ครับสันที่สุกถึงสองครั้งด้วยกันสันที่สุขแรกนั้นพระเจ้ามอบให้ครับส่วนสันทีสุกที่สองโลกเป็นผู้มอบให้เราจะเลือกอะไรนะครับเราจะเลือกอะไรสันที่สุขที่สองที่โลกมอบให้นั้นเกิดจากมารสตานออกแบบไว้นะครับผมได้เรียนไปแล้วการที่มนุษย์ ได้ครอบของทรัพย์สินเงินทองเป็นผู้ครอบของวัตถุสิ่งของต่างๆมันทําให้มนุษย์นั้นมีสาิสุขและมีความสุขจริงๆหรือเปล่าพระคัมภีรได้ยกตัวอย่างนะความอุปมาของพระเยซูนะครับว่ามีเศรษฐีที่มีของเยอะแยะมากมายเลยเขาก็สบายใจมีความสุขว่าต่อไปนี้นะชีวิตของเขาจะสบายแล้วเขาเนี่ยจะอยู่ดีกินดีนะเขาไม่มีปัญหาที่ต้องห่วงกังวลและพระเยซูได้สอนต่อไปครับ เล่าเรื่องโอบมาต่อไปว่าในคืนวันนี้เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับก็คือว่าหาแล้วนะครับแต่ไม่ได้ใช้ครับคนอื่นใช้หาแล้วเนี่ยครับเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวและมันก็ไม่สามารถที่จะส่งผลต่อชีวิตนิรันดร์ของเขาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันตรงเงินค่ามันสวนทางนะครับสารที่สุขของพระเยซูให้กับสารที่สุขที่พระเจ้าดีไซน์ไว้กับมารซาตานนี่ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราสแสวงหามูลค่าเพิ่มในทรัพสมบัติของเราเราสแสวงหาการตีราคานะครับให้ราคาให้ความสําคัญต่างๆถูกต้องตามที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ให้กับเราหรือเปล่าพี่น้องครับความวิตกกังวลความรู้สึกเป็นห่วงและความกลัวนั้นบางคนถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับครับบางคนถึงขนาดฝันร้าย บางคนถึงงานสะดุ้งตื่นขึ้นมาความวิตกความกังวลแบบนี้นครับเป็นอาวุธที่มารซาตานใช้โจมตีพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าและ ม, มันมักจะได้ผลเสมอต้องระวังนะครับสันิสุขที่พระเจ้าให้เป็นสันสุขที่แปลกประหลาดพระเจ้าให้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครก็ตามที่สแสวงหาคุณค่าและสันสุขฝ่ายจิตวิญญาณ น, นั้นเมื่อเขาอธิษฐานและให้พระเจ้ามาก่อนสันิสุขนั้นจะเกิดขึ้น ตามพระคัมภีร์ครับมัทธิวบทที่หข้อ33หลายท่านคงจาได้นะครับขอเชิญพี่น้องอ่านพร้อมกันดีมครับแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านผูดง่ายๆมีคนถามผมนะครับบอกว่าอาจารย์ปีนี้นะจะทำอะไรก่อนผมบอกว่าต้องให้พระเจ้ามาก่อน ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบในด้านต่างๆในการทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างไรก็ตามขอให้เราอธิษฐานถาพระเจ้าว่าข้าพเจ้าอยากจะให้พระเจ้ามาก่อนจะทําได้อย่างไรขอพระเจ้าทรงนํำข้าพเจ้าจะให้พระเจ้ามาก่อนในธุรกิจของพระเจ้าได้อย่างไรข้าพเจ้าจะให้มาก่อนในหน้าที่รับผิดชอบการงานของพระเจ้าได้อย่างไรข้าพเจ้าให้มาก่อนให้พระเจ้ามาก่อนในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นแม่บ้าน ได้อย่างไรข้าพเจ้าให้พระเจ้ามาก่อนในฐานะที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้อย่างไรข้าพเจ้าจะให้พระเจ้ามาก่อนในฐานะที่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาได้อย่างไรนั่นนะครับคือสิ่งที่เราจะสแสวงหาน้ำพัดไทยและอาณาจักรของพระเจ้าวความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพี่น้องครับพระกัมภีร์ผู้ชัดเจนว่าให้สแสวงหาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราจะต้องสแสวงหา เพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่พบจริงๆนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆราวหลายๆด้านของชีวิตเพราะจะต้องสแสวงหาในเรื่องนี้สแสวงหาในเรื่องนั้นที่จะให้พระเจ้ามาก่อนจะจะให้พระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์มาก่อนและเมื่อเราสแสวงหาให้สิ่งต่างๆมาก่อนนั่นก็คือเบอร์หนึ่งพอเวลาเราเลือกปั๊บนะครับเราชัดเจนเลยว่าจะเลือกสิ่งนี้พี่น้องครับมันจะไม่มีความสับสนเพราะมันจะชัดเจน ว่าเรื่องของพระเจ้านั้นมาก่อนเสมอสันที่สุขของพระเจ้านั้นไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของอย่างเดียวแต่มันมาด้วยการแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนและนี่คือการออกแบบของพระเจ้านี่คือแผนของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้และคอนเซปต์ในเรื่องนี้แล้วเราจะพบกับสารที่สุขที่แตกต่างไปได้พี่น้องครับ จากพระญาตของพระเจ้านะครับเพิ่มพี่ย้อนบทที่16บหข้อสาพระเยซูตรัสว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพี่น้องครับพระเยซูชนะโลกแล้วพระเยซูเป็นผลแรกของการชนะโลกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ติดตามพระเยซูครับเรามีความมั่นใจเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราเมื่อเราถวายใจให้กับพระองค์แล้ว เมื่อเรามอบสารนิสุกให้กับคนอื่นนะครับสารนิสุขนี้เรารับจากพระเยซูเรามอบให้กับคนอื่นนั่นคือการประกาศนั่นคือการดําเนินไปของแผ่นดินของพระเจ้านั่นการขยายอาณาจักรของพระองค์เมื่อเราทําอย่างนี้นะครับเราจะไม่ขาดซึ่งสารนิสุขและความชื่นชมยินดีเพราะเราไม่ได้ละเลยคุณค่าฝ่ายจิตวิญญาณในขณะที่คนอื่นเขาละเลยเพราะเราเลือกที่จะเอาแก่นแท้แทนที่คนอื่นนั้นเขาจะเลือกเปลือกเพราะเราไม่ได้ติดบวงแล้ว ของมารซาตานที่ออกแบบไว้พี่น้องครับทั้งสข้อทั้ง4ข้อนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าเราต้องระวังในปีใหม่2018ัที่จะถึงนี้นะครับอย่าให้เราละเลยคุณค่าฝ่ายจิตวิญญาณนะครับอยากจะรู้จักพระเจ้าเหรอือมาเรียนพระคัมภีร์สิอยากจะรับใช้พระเจ้าหรอเข้ามาอยู่ในพันธกิจของคณะต่างๆมาดูแลคนฝ่ายจิตวิญญาณมาเป็นพี่เลี้ยงสิครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าเรียกร้องให้เรากระทํา เที่ยวจะเป็นสุขเมื่อเราได้ให้พี่น้องรูงไหมครับว่าเวลาที่เราเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของใครนะครับเวลาที่เขาเติบโตขึ้นนะครับเราเป็นไงครับเรายินดีมีความสุขมากเลยที่เห็นเขารักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนี่คือหัวใจของผู้อภิบาลหรือสิทธิอภิบาลพวกเราทุกคนจะมีหัวใจของสิทธิอภิบาลได้ก็คือว่าเราต้องเลี้ยงดูคนของพระเจ้าเมืเ่อเขาเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเราจะมีความภาคภูมิใจเวลาที่เขาทุกข์เราก็ทุกข์กับเขาเวลาที่เขาร้องไห้เราก็ร้องไห้กับเขาเราอธิษฐานเผืเา และพระเจ้านั้นได้เขาสามารถที่จะมีชีวิตเดินอยู่ในความทุกข์ยากลําบากได้เรายินดีเรามีความชื่นชมมากพอแหล่ะครับเพราะรรพระเจ้าช่วยเขาเขาเติบโตขึ้นฝ่า ย, ยาวิญญาณเราขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเขาได้เห็นสัจธรรมฝ่ายวิญญาณและนี่แหละครับคือความมีสันติสุขหลายๆท่านนะครับได้ขาดหรือห่างจากการเลี้ยงดูคนอื่นห่างจากการดูแลคนอื่นห่างจากการเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นห่างจากการสร้างโซกมานานนะครับแต่มุ่งอยากจะเชิญชวน2018นี่นะครับให้เรากลับมาถึงแทร็ก ให้เรากลับมาถึงลู่ลู่ที่ถูกต้องทางเดินที่ถูกต้องในการที่เราจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่ดูแลจิตวิญญาณของคนอื่นเป็นผู้ที่ดูแลคนที่มากมายที่มีความสนใจในพระเจ้าผู้เชื่อใหม่ผู้ที่เตรียมรับบัปเสมาคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่เขาต้องการการดูแลจากคนของพระเจ้าและเมื่อคนของพระเจ้าอยู่ในแทร็กที่ถูกต้องอยู่ในลู่ที่ถูกต้องแล้วคริสตจักรนี่ผมใช้คาว่า พระเจ้าจะเทพระพรลงมาเพราะว่าอะไรครับเรามีความพร้อมเรากําลังหงายชามเพื่อที่จะรับน้ําฝนน้ําฝนไม่ตกมาถ้าชามของเราคว่ำอยู่ผมพูดกับน้องๆ อ, อนุชนเสมอบอกว่าพระเจ้าจะไม่ให้ฝนตกตาบใดที่เลยครับตับใดที่ชามของเราไม่หงายฝนตกไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราหงายชามของเราในการที่เราจะดูเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะอวยพรและพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคริ้นจากรของเราเนี่ยจะไม่มีที่นั่งพอหรอครับ เราจะเปิดรอบสองรอบสรอบสีเยอะแยะอมากมายเพื่อที่จะรองรับคนของพระเจ้าพระเจ้านั้นได้ให้ขิ้จักวัฒนาอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดในกรุงเทพแล้วครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเราเราอยู่ในทำเลที่จะเป็นเซนเตอร์ออฟเดอะเซนเตอร์ก็คือศูนย์กลางที่อยู่ในศูนย์กลางและขอให้เราเป็นขึ้นจักที่อยู่ในศูนย์กลางแห่งนาำมไทยของพระเจ้าเราอยู่ในโลกของความบาป ลูกของพระเจ้าก็จะไม่ต้องเปื้อนบาปได้เพราะฉะนั้นคริสเตียนจะต้องเหมือนกับใบบัวครับใบบัวที่อยู่ในน้ําแต่ไม่เปื้อนน้ําพี่น้องเห็นไหมครับน้ํากลิ้งบนใบบัวนะครับแต่ใบบัวมันไม่เคยที่จะเปียกน้ําเลยเราอยู่ในน้ําเหมือนกับคริสเตียนจะต้องอยู่ในโลกแต่คริสเตียนนั้นไม่แปดเปื้อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีพระเจ้าทุกครั้งเลยเขาจะทําอะไรต้องมีสติถามตัวเองว่าพระเจ้าต้องการอะไรเราจะได้ลงมือตัดสินใจทําอย่างนั้น ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจลงมือทำอะไรต้องถามว่าพระเจ้าได้เกียดหรือเปล่าพระเจ้ามาก่อนหรือเปล่าการตัดสินใจของเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อแผนดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์หรือเปล่าแล้วหรื อ, อยังพระคําของพระเจ้าได้ให้กําลังใจเรานะครับในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วนั่นหมายความว่าในโลกใบนี้นะครับเรายังมีอะไรเยอะแยะมากมายต้องเผชิญ2018นี้แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีแต่พี่น้องครับ ถ้าถามว่าจิตวิ ญ, ญญาณของเราจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่านั่นคือสิ่งท้าทายและเป็นคำถามในเช้าวันนี้ถ้าเราเข้าใจรากฐานที่พระเจ้าให้กับเราไม่ว่าอุปสรรคปัญหาจะใหญ่โตเพียงใดไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรก็ตามเราชนะได้เพราะว่าพระเยซูทรงชนะโลกแล้วเพราะเรามีพระองค์ผมอยากสรุปในเช้าวันนี้นะครับมีคาของผู้รู้เขาเขียนอย่างนี้บอกว่าความทุกข์ มาจากกระจกเงาความทุกข์มาจากกระจกเงาความสุขมาจากหน้าต่างน่าคิดไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนเศร้าสร้อยก็ให้คิดถึงแต่ตัวเองมองตัวเองในกระจกแล้วก็สงสารตัวเองฉันต้องการอะไรนะคนอื่นพูดถึงฉันว่ายังไงนะมีอะไรอีกบ้างที่ฉันควรทำให้ตัวเองที่ยังไม่ได้ทำหรือเปล่าฉันรู้สึกแย่แค่ไหน จะรู้สึกดีแค่ไหนมองที่กระจกไว้นะครับแล้ความทุกข์มันจะเกิดแต่ความสุขมันจะเกิดเมื่อเรามองผ่านกระจกเหมือนกันมองออกไปข้างนอกกระจกเงากับกระจกหน้าต่างไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าความทุกข์มาจากกระจกเงาเรานั่งดูสงสารตัวเองแต่ถ้าเรามองไปข้างนอกครับเราจะเห็น การสรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราคิดว่าการรับเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการให้เราจะไม่มีวันพบกับความสุขเลยเราจะไม่มีวันพบกับหรือมีประสบการณ์กับความสุขที่เกิดจากพระพรแห่งการให้แต่ถ้าเราอยากจะมีสันติสุขต้องมองออกไปครับพอเรามองออกไปพบนะครับเราจะเห็นความต้องการหรือเห็นนอีกมากมายที่เราจะช่วยได้แม้ว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้นะ แต่เราช่วยคนอื่นได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่ผมป่วยครับถ้าอยู่แต่บ้านนะครับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอยู่แต่บ้านไม่เคยออกไปข้างนอกเลยย้เวทแบ่ไปโรงพยาบาล น, นะครับไปโรงพยาบาลก็ไปแต่โรงพยาบาลเอกชนนะทุกอย่างก็ดีหมดเลยนะครับมีแต่เราเนี่ยแย่แต่ถ้าไปโรงพยาบาลรัฐบาลเลยครับอะไรเกิดขึ้นครับโอ้คนที่แย่กว่าเรานะมีเยอะมากเลยคนที่ป่วยมากกว่าเรานะ เยอะมากเลยคนที่ยากจนมากกว่าเราเยอะมากเลยคนที่แล้นแค้นแล่นหนักกว่าเราเยอะมากเลยพี่น้องครับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐบาลไม่เหมือนกันนะครับความรู้สึกไม่เหมือนกันถามว่าไปที่ไหนครับเราถึงจะได้กำลังใจตัวผมเองมีประสบการณ์นะครับอาจจะไม่เป็นปรกการของทุกท่านแต่ผมเองนั้นเมื่อไปโรงพยบ า, าบาลรัฐบาลนะครับผมรู้สึกว่า อ, อขอบคุณพระเจ้านะที่เรายังดีกว่าคนอื่นๆ อ, อีก เพราะว่าเรามีพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผมเองพี่น้องครับอะไรที่เรากำไว้นะกำไวนะ้เนี่ยมันจะเครียดมันจะหนักมันจะรักตัวเราสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องทำกิจกรรมร่วมกันเล็กน้อยครึ่งนาทีนะพี่น้องเอามือยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วกาแน่นๆนะฮะเอาไว้กับตัวนะเอาไว้กับตัวกาแน่นๆนะครับ พี่น้องรู้สึกมีความเครียดใน ใ, ใ, ใ, ใ, ในในในในอุ้งมือเราใช่ไหมฮะนะฮะเครียดไหมฮะมีมีรู้สึกกำแน่นๆนะแต่ถ้าเราเราชูมือออกนะครับแล้วเราปล่อยเป็นไงครับสบายเป็นสุขที่ได้ให้เราจากโลกนี้ไปนะมันกำไม่ได้ครับทุกคนแบหมดนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให กิจกรรมนี้นะครับนะให้เราเห็นว่าพอเราแบออกไปเราให้ออกไปเนี่ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นสุขใจที่ได้ให้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน